ว่อย่างไงาวนาเน้ทาครอบมาจาก่านะอายท่จะชวยแนะนว่าเขาจะเล่นเปนยังไงไม่เคยเล่นเหลอไม่เคยเลยเหรอไม่เคยอยากปฏิบัติหรือเปล่าถามก่อนถูกเชี่ยวเข็นมาไหมเปล่ไม่ได้เชี่าเขาอย่างนี้มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่สมัครใจไหมบังคับกันไม่ได้เราบางคน ไม่อยากทำบางคนก็อยากทำจริงๆการปฏิบัติมันไม่ใช่อะไรลึกลับหรเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมคือการต้องทำอะไรยากๆทำอะไรแปลกๆออยนะ่างเงี้ยต้องไปอยู่วัดต้องอดข้าวต้องอะไรต่ออะไรเราวาดภาพเยอะไปที่หนึ่งนะการปฏิบัติธรรมจริงๆก็คือการที่เราคอยรู้ตัวไว้ รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆแั้วกายกับใจนี่จะสอนธร ร, รมะเราธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดมันอยู่กับพระธรรมะอยู่ที่ตัวเราเองเราเรียนเรื่องตัวเราเองเกระทั่งเราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างทุกข์น้อยๆวัตถุประสงค์คือจะเรียนเพื่อให้มันทุกข์น้อยๆหรือเรียนเพื่อให้มันไม่ทุกข์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรเราจะเรียนเพื่อพ้นทุกข์ความทุกข์มันก็อยู่ที่กายกับใจเราเนี่เอง าเราเรียนลงที่กายที่ใจถ้าหากการปฏิบัติทำหลุดออกจากเรื่องการรู้กายรู้ใจเนี่ยไม่เรียกว่าวิปัสสนานะอย่างเก่งก็แค่สมถะการปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ทำกันอยู่จะเป็นสมถะสมถะเนี่ยจิตไม่ดีทำให้ดีจิตไม่สงบทำให้สงบนะพอมีความดีมีความสงบนะแล้วเราก็พอใจสบายก็นะสบายอยู่ชั่วคราวมันก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรสรู้ให้เราเรียนถึงวิปัสนาให้ได้ลำพังสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคือสี่ชีพไทยเขาทำความสงบ ก, กันเก่งๆนะทํำจนเหาะได้อะไรเงี้ยในตําราว่างั้นอดข้าวทิ้งได้เป็นเดือนๆหนึ่งทําได้แปลกๆมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอ น, ม, นมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แค่นั้นท่านสอนให้เราเนี่ยหันมาเรียนรู้ชีวิตตัวเอง ความทุกขอยู่ที่กายรู้ลงที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจรู้ลงที่ใจใครรู้ลงไปด้ื่อยๆวันหนึ่งจะเข้าใจเลยว่าความทุกข์มันมาได้ยังไงทุกวันนี้เรากลัวความทุกข์เราเกลียดความทุกข์แล้วเราอยากหาความสุขแต่เราไม่รู้แบบว่าความสุขความทุกข์เป็นยังไงมาได้ยังไงไม่รู้เหตุรู้ผลเยังไม่มีใครจะสอนธรรมะเราได้นะมีแต่กายกับใจนี้เท่านั้นสอนธรรมะเราได้ หลักของการปฏิบัติอันแรกสุดเลยท่านบอกให้รู้ทุกหลักของอริยสัจความจริงของฝ้าริยะทั้งหลายความจริงข้อที่หนึ่งคือทุกทุกให้ทำอะไรให้รู้อะไรคือทุกขัขนห้าคือทุกคือกายกับใจเราเป็นทุกนั่นรู้ลงที่กายที่ใจรู้ไปเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรารู้เลยกายกับใจนี้จริงๆเป็นของโลกนะ เป็นสมบัติของโลกอย่างร่างกายเราเนี้เป็นแค่วัตถุธาตุ่นึ่งอาศัยธาตุของพ่อแม่เป็นจุดเริ่มต้นอาศัยอาหารอาศัยน้าอาศัยอากาศอย่างนี้หล่อเลี้ยงตัวโ ต, ว ต, วตวขึ้นมาแต่ละวันก็มีธาตุไหนเข้าไหลออกกินอาหารแล้วขับถ่ายหายใจเข้าแล้วหายใจออกอะไรเงี้ยเข้ารู้เข้าดูวันหนึ่งแจม่มแจ้งร่างกายของเราเนี่ยกัวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันเดียวกันแหะ ความไม่รู้มันทําให้เราแบ่งแยกเรานี่มาเป็นกายของเรานี่เป็นใจของเรามันมันมีตัวเราขึ้นมามนก็อยากหาความสุขให้ตัวเราอยากจะสุขถาวรอยากอยู่ง้นอยากอย่า ง, ง น, าางนี้เกิดการดิ้นโนเกิดการตรงแต่งทั้งมากมายเพื่อจะหาความสุขมาให้ตัวเราถ้าเฝ้ารู้ลงไปที่กายเฝ้ารู้ลงไปที่ใจว่าหนึ่งเห็นตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีการที่ว่ามันมีตัวเรานะี่คือเอาวิชา น, นี่ความไม่รู้ทุกข์ วิชาข้อที่หนึ่งไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่รูปนามขันธ์ห้าเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุหรือเป็นวิญญาณธาตุธาตรู้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราเมืเขารู้กายเขารู้ใจมันเห็นความจริงนะมันจะสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจมันหวงมันรักมันอยากให้ดีอยากให้สุขาวรเขารู้ว่าไม่ใช่ของเราเห็น เบื้องต้นเห็นว่าไม่ใช่ของเราคนไม่ใช่ของเรานี่เรียกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเห็นแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นของโลกแต่ว่าคล้ายๆเป็สมบัติคนอื่นนะแต่งกนะไม่คืนหรอกเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราคิดว่าเป็นของดีของวิเศษกายนี้ใจนี้ของดีของวิเศษเฝ้ารู้เฝ้าดูนานไปนานไปปัญญาแจ้งนะมันไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยกายนี้หาความสุข ตรงไหนก็ไม่เจอจิตเนี่ยหาความเที่ยงหาการบังคับได้ใช่นิดหนึ่งก็ไม่มีมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเห็นตรงที่พระพุทธเจ้าบอกและวเห็นทุกข์แล้วขันห้าเป็นทุกข์พวกเราไม่มีทางเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เลยเราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างกายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเจริญสติเข้มข้นขึ้นจริงๆเนี่ยเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆแล้วมันจะสลัดคืนมันจะเห็นว่าไม่ใช่ของดี มันคล้ายๆเราหยิบออกมาของมาอันหนึง่งเราถึกว่าเนี่ของวิเศษเลยวันหนึ่งมาหัดสังเกตมันอ้าวมันไม่ใช่ของเดีขอเนี้นะอาจจะเป็นกิ่งจบทุกแกเลยนะมันเห็นว่ามไม่ใช่ของดีมันจะสลัดทิ้งคําว่าสลัดทิ้งในภาษาบาลีเรียกว่าปฏินิสัก ข, ขาการสลัดคืนจะสลัดใจเราจะหมดภาระทางใจนละ้วมันจะโล่งไปหมดเลยนะความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจและ ความอยากการดิ้นรนทางใจทั้งหลายจะหายไปหมดเลยพอรู้ความจริงแล้วกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราจริงๆแบกเอาไว้ก็เป็นทุกข์ล้วนๆท่านถึงสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์คนทั้งหลายเนี่ยแบกภาระแบกทุกข์นี้ไปเรื่อยๆคนยังต้องแบกของหนักไ ม, ไม่พ้นจากความทุกข์พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยวางภาระวางของหนักลงแล้ว คือความวางความยึดถือกายยึดถือใจลงแล้วลไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกความพ้นทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ไม่งันรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเนี่ยก็จะละสมุทยัยไปอัตโนมัติที่ท่านสอนอริยสัจบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทยัยถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเห็นกายเห็นใจนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆ น, นะมันปล่อยวางพอปล่อยวางความดิ้นรนความพยานอยากของใจที่จะอยากใหุ จิตใจเรามีความสุขจิตใจเราดีอย่างนู้นอย่างนี้ความดินน้นรนความทะยานอยากพวกนี้ถูกทำลายไปหมดจิตใจมันจะมีอิสระภาพทุกวันนี้เราตกเป็นทาสของความอยากความอยากเป็นเจ้านายตัวจริงสั่งให้เราทำอะไรต่ออะไรทั้งวันเลยเพื่อจะให้มันมีความสุขเพื่อจะหาความสุขเฝ้ารู้ลงมาเห็นจริงจิตใจนี้ทุกไม่ใช่ตัวดีปล่อยวางได้ ความอยากที่จะให้จิตใจนี้ดีอยากให้จิตใจนี้สุขก็หมดไปสมูทัยเป็นอันถุกละการดิ้นรนต่างๆก็หมดไปภาระทางใจการงานทางใจก็หมดไปเลยจิตใจเข้าถึงภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากภาระภาวะแห่งความพ้นความปรุงแต่งนั้นแหะเรียกว่านิโรธนิโรธหรธือนิพพานนั้นรู้ทุกข์แก่แจ้งสมูทัยก็เป็นอันถุกละไปนิโรธก็แจ้งขึ้นตรงนั้นเลย การรู้ทุกข์นี่แหละคือการเจริญอริยมรรคนี่คืออริยสัจสี่อริยสัจสีรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้จนเห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวดีเป็นตัวทุกข์ก็ปล่อยวางก็ปล่อยวางความอยากจะให้กายนี้ใจนี้มีความสุขถาวรก็หมดไปหมดการดิ้นรนหมดความอยากสมูทัยถุกละจิตใจเข้าถึงความสงบสุขพ้นจากการดิ้นรน แผดเผาของความอยากพ้นจากการยึดถือทุกข์เรียกว่านิโรธหรือนิพพานนิพพานมีหลายในยะอันหนึ่งก็คือวิสังขารพ้นความปรุงแต่งพ้นจากรูปนามพ้นจากตัวทุกข์อีกอันหนึ่งคือวิราคะพ้นจากความอยากก็คือพ้นจากปัญหาพ้นจากตัวสมุทยัยการรู้ทุกสําคัญที่สุด ถ้าพวกเราละเลยเราไม่เรียนเรื่องการรู้ทุกข์หรือการรู้กาย ร, รู้ใจห่างไกลกับศาสนาพุทธมากเลยะเดี๋ยวหลงพ่อ ข, ขอตรวจการบ้านคนเก่าๆมาอ้าวโย่ว่างไงเออดีแล้วนะไปรู้ไปเรื่อยติดเต้นพูดไม่ออกจะได้แล้วโยเยอะดีขึ้นเยอะเลยนิดนนิดเป็นไงยังไปแบกอะไรไว้เยอะแยะ ไปไปจับทุกข์เอาไว้ก้อนตัวรู้ไปนะรู้ด้วยใจที่เป็นกลางในชีวิตเรานะมีสิ่งที่หมุนเวียนเข้ามาตลอดเวลาเลยเรียกว่าโลกกระทมีลาบยศ ส, สรรเสสนุขเสริมลาบเสริมยศนินทาทุกนะไหลเข้ามาทุกวันอะ่ะเดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็จนเดียเเด๋ยวคนก็ชมเดี๋ยวคนก็กระดาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ เดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับเพราะโลกมันเป็นอย่างนั้นนี่เราอยากได้โลกธรรมฝ่ายเดียวฝ่ายดีเราจะไม่เอาฝ่ายไม่ดีใจเราก็จะไม่เป็นกลางนะเงั้นถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะมันมาได้มันก็ไปได้ใจเราเป็นกลางความสุขมาใจเราก็เป็นกลางไม่หลงยินดีหลงละเริงเ พ, เพลินมัวเมา ระมาความทุกมาใจก็เป็นกลางไม่เล่าร้อนทุรนทุรายรู้ว่ามันของประจับโลกอยากพ้นทุกก็ต้องพ้นโลกอยากพ้นโลกอะไรเป็นโลกพระเจ้าสอนโลกคือหมู่สัตว์อะไรเป็นสัตว์รูปนามนี้แหละสัตว์จริงๆไม่มีหรอกมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจถ้าพ้นจากรูปจากนามพ้นจากกายจากใจเรียกว่าพ้นโลก นี้จะพ้นได้ด้วยอะไรพ้นได้ด้วยปัญญามีสติรู้ลงที่กายมีสติรู้ลงที่ใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวเลยปัญญามันเกิดกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราความทุกข์ค่อยๆลดลงลดลงแต่ละคนทุกข์เยอะนะนิดที่ทุกข์เยี้ว่านิดก็มีอีกเยอะ ในหมู่บ้านนี้เมื่อสองสามวันก็มีเด็กหนุ่มๆ น, นะค่าตัวตายทุกเยอะในโลกคนทุกเยอะแยะเลยไม่ใช่แต่พวกเราทุกคนเดียวแต่เวลาพวกเราเป็นธรรมดานะเวลาเรารเผชิญกับปัญหาเผชิญกับความทุกข์มันคล้ายๆเรายืนใกล้ๆกาแพงกําแพงมันดูย้ายใหญ่ถ้ายืนห่างๆนิดนึงนะยืนแบบไม่มีส่วนได้เสียดูมันห่างๆเล็กนิดเดียว เอาวรัดว่าไงรัดเฮ้ยขาดสติขาดสติก็คือคนตายแล้วพ <c oughs> รูอาจาสอนคนปมาทหมือนคนตายแล้วคำว่าคนประมาทคืออะไรคือคนขาดสติลืมเนื้อลืมตัวเนยอย่างถ้าเรามีสตินะเรารู้กายเรารู้ใจก็คล้ายๆเรายังมีกายมีใจยังมีชีวิตอยู่ พอเราขาดสติแนละเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายก็เหมือนไม่มีมีใจก็เหมือนไม่มีเหมือนตายไปแล้วรู้กายรู้ใจไว้นะชีวิตเราเหลือเวลาอีกเยอะอนุมาณเอาหน้ามาเหลือเยอะเดีย๋ยวจะว่าหลวงพ่อขยยากอนว่าอายุยืนยาวเลยประมาทนะเดินข้ามถนนหลับตาข้ามหลวงพ่อบอกว่าอายุยืนอย่างเห็นโง่นะ ชีวิตเราแต่ละคนความทุกข์จะวิ่งเข้ามาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้เลยความทุกข์มาถึงตัวเราเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกอยู่ที่เราฝึกตัวเองให้พร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาทุกอย่างวิธีฝึกตัวเองที่ดีที่สุดเลยฝึกคอยรู้จิตรู้ใจของเราไว้รู้จิตไม่ได้ก็รู้กายรู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้ไปเรื่อย ถ้ารู้จิตได้มันก็รู้กายได้รู้กายได้มันก็รู้จิตได้กายกับจิตมันอาศัยกันอยู่เบื้องต้นรู้อะไรก็ได้ค่อยรู้ไปเรื่อยเรื่ย่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้บ่อยๆจิตใจเราก็จะค่อยค่อยพ้นทุกข์ไปโปร่งโล่ ง, ลงเบาสว่างสวัยขึ้นเรื่อยเรื่อยสบายเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นคนที่ไม่ปฏิบัติแนละ้วมันทุกข์ปางตายแนะ ผู้ปฏิบัตินะเห็นมันธรรมดานะปัญหาชีวิตมันเป็นเรื่องธรรมดาฝึกไปนะฝึกไปแต่เด็กๆอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจเดี๋ยวหลวงลุงด่าแม่เรานะทำไมไม่อบรมขยันไหมหลวงหลวงลวุง ว, ว, ว, ว่ามันก็ดีเหมือนกันนะดูมันก็ไม่ได้แย่อะไร<ม>ขยันดูแล้วนะดีดูไปเรื่อ ย, ยๆเจ้าแลมเป็นไงบ้าง รับนี่ก็ดูอยู่รับไม่ได้กเกเรอะไรไปดูไปเรื่อยๆนะรับ <c oughs> นิดก็ดูไปนะคุณเป็นสีเช่น <c oughs> <c oughs> คือจะเดาแล้ไม่เห็นอะไรอ่ะแต่นี้พอหลังจากสี่วันแล้วเนี่ยก็จะเห็นในในชุดนั้นอกรบกะบกระดกดวลาอทังแก่วัเข้ามนก็ะอหวาืมอืมะฝึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราจะเห็นมันวับบวับๆับวับบววนี่เห็นทั้งวันอ่ะนเห็นได้ทั้งวันนะลืมยืนเดินนั่งนอนก็เห็นตลอดนะที่หลวงพ่อทาไม่ได้ไม่ได้เริ่มมาอย่างของคุณอ่ะหลวงพ่อรู้ความรู้สึกไปได้ ทีแรกเห็นแต่ความรู้สึกหยาบหยาบเช่นโลภโกรดลงพอมาละเอียดเึ้นเห็นวับวับวับับตลอดที่จริงมันก็คือความปรุงแต่งในขั้นละเอียดก่อนที่มันจะหยาบเนี่ยมันวับวับนี้ก่อนจะปรุงขึ้นมาตอนนั้นเห็นจิตเนี่ยมันเกิดดับวับวับวับวับเนี่ยยิบยับยิยับเห็นย่ต้องเดือนกว่านะเห็นทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นที่เหนื่อยเหนื่อยนะเออทรมานมากเลย วิ่งไปหาหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธก็เทศใหญ่เลยบอกการปฏิบัติพอขั้นละเอียดเหลือแต่ยิบยับยิบยับนะเขาก็ทนไม่ไหวอ่ะมันยิบยับทั้งวันทั้งคืนมันทรมานเน่ยนะท่านเทศให้ฟังเป็นชั่วโมงเลยนะคนตั้งเยอะเลยวันนั้นเต็มกุฏิท่านเลยท่านเจาะเทศสอนเราอยู่คนเดียวเลยทรมานใจไม่ลงอะ่นะเสร็จแล้วเขียนจดหมายไปหาอาจารย์มหาบุญ <c oughs> เล่าให้ท่านฟังเคย มีอะไรเคยปรึกษาท่านท่าเกียจนจดหมายตอบมาอตอบมาสองสามบรรทัดบอกตอนนี้เราไปผ่าตาเราเขียนหนังสือยาวไม่ได้ให้เอาหนังสือไปอ่านเอาเองท่านให้หนังสือทําเตรียมพร้อมมาเล่มเบลอเห็นหนังสือแล้วท้อใจถามไปนิดนึงนะให้หนังสือัเล่มใหญ่มันได้ขี้เกียจนานที่สุดเลยยกมือไหว้ท่านที่เปิดหนังสืออ๋อเจอหน้านี้พอดีเลยนะเนี่ยการปฏิบัติหน้ามีแต่ยิบยับยิบยั บ, ย บ, ยบอะไรพวกนี้ ก็ร huh. right. ู้วะนะครูบาอาจารย์สององค์ก็บอกเหมือนกันว่ามันธรรมดาแต่ใจเราไม่รู้สึกธรรมดาแเราเผชิญหน้ากับมันทรมานทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนทําไงก็ไม่พ้นนะเสร็จแล้ววันนึ่งเหนื่อยสุดขีดเลยโอ้ยวันนี้ขอไม่ดูสักวันขอไม่ดูสักวันนะมันไม่ยอมเพราะมันเห็นเองสติมันัตโนมันจะเห็นเองก็เห็นว่าเยอบเยอะเยอะอะลำบาก ลำบากไม่รู้จะทําไงน ะ, อะขอทําสมาธแล้ววันนี้ขอพักผ่อนไว้ทีทิ้งสมาธิไปนานเรยนับปฏิบัติทิ้งสมาธิไม่ได้นะทิ้งสมาธิเหมือนมีดทื่อใช้ไม่ได้เรื่องหลวงก็เคยทำสมาธิตั้งแต่เด็กตั้งแต่เจ็ดขวบทําลมหายใจมาตลอดนะนี่กลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกนะพูดโทรไปเข้าเข้าพูดออกโทรนับหนึ่งพูดออกโทรนับสอง ใจไปยี่สิบแดครั้งนะใจมันรวมลงมาใจมันรวมลงมาแล้วพอมันถอนขึ้นนะมันไปนกระทบไอ้ยิบยับเนี่ยขาดหมดอนะ่ะถ้าไม่มีกําลังพอมันจะตัดเพราะงั้นถ้าใจเรารู้สึกดูไปจะแห้งแรงนะก็พักผ่อนบ้างพักผ่อนดูฟองยุบ ก, ก็ได้พักผ่อนอะไรก็ได้เออไม่เอาเหรอเอาเหรออะไรก็ได้นะ อะไรก็ได้พุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันหมดอ่ะมันจะกหนดจุดทีอ๋อเพ่ือ่าเวลาดูตอนแรกก็ดูที่กายแตอนีเขากระตุกกดูใ้าาทตรงนี้่สาีองคุณเห็นสียังมีอันหนึ่งฝากไปดูนะยังประคองไว้ตรงนี้ถ้ายังไม่เลิกประคองก็ไม่เลิกเหนื่อย เราทำเย็นชินคุณเพนสีนึกถึงสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติออกไหมจิตตอนนี้กับตอนนั้นไม่เหมือนกัน<ห>จิตตอนนั้นนะ่ะมันโลง่ลงโล่งว่างๆไม่มีอะไรแต่จิตตอนนี้มันแข็งแข็งทื่อๆขึ้นนิดนึงมันเกินปกตินิดนึงแ ต, แต่ถ้ า, าขนาดนี้ ม, มตรง น, นี้กับที่หนูปฏิบัติไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันน ะ, นนะมาที่นี่รู้สึกว่าจะตื่นตื่น้แม้ค่หนูอ เ okay, ัเดี๋ยวนั่งข้างหลังนะเดี๋ยวนั่งข้างหลังเดี๋ยวขอดูเพราะถ้าจิตทรงอยู่ตรงนี้ปัญญาจะไม่เกิดเลยอ่ะคุณกบว่าไงคุณกบแล้วพัฒนายังไงล่ะคือเรามีเครื่องช่วยอันหนึ่ง ของนักปฏิบัตินะคือการทําตามรูปแบบบ้างอย่างถ้าเราปฏิบัติดูจิต ด, ดูใจเราทั้งวันกําลังเราไม่พอใจมันจะเหมือนรู้ตัวอยู่ความจริงไม่รู้และนจะคลายคลาย ร, รู้แต่ไม่รู้บางทีก็ไปหลงเพ่งจิตงั้นก่อนจะนอนนะเราไหาว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรนี้เราทําทุกวันส ม, ม่ําเสมอไม่ละเลยก่อนนอน คล้ยๆเราได้พักผ่อนจิตใจของเราก่อนแล้วก็พักผ่อนร่างกายทีหลังตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานมีสติเกิดง่ายตามรู้ตามดูได้บ่อยๆนะแต่ถ้าเราดูลูกเดียวรู้ลูกเดียวแล้วก็ใจเราไม่เคยได้พักผ่อนเลยกำลังบางทีไม่พอปฏิบัติแล้วมันไม่สดชื่นาการปฏิบัตินะอาศัยรูปแบบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ติดรูปแบบหรอก ครูบาอจารย์แต่ก่อนสอนหลวงพ่อเขาเน้นเรื่องการรู้สึกตัวในชีวิตประจํำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวหลวงพ่อพูดสอนเลยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนะให้มีสติรู้สึกตัวไปหลวงปูดูลย์ก็ให้ดูใจตัวเองจิตชอบส่งออกนอกจิตส่งออกนอกคือจิตมันวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูคนอื่นแล้วลืมตัวเองจิตวิ่งไปทางหู วิ่งไปฟังเขาคุยกันแล้วก็ลืมตัวเองนะรู้เรื่องที่เขาคุยแต่ลืมตัวเองจิตวิ่งไปทางใจหนีไปคิดรู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างนะแล้วก็ลืมตัวเองท่านสอนบอกให้คอยรู้ทันเวลามันหลงแต่ว่าก่อนนอนในหลวงพ้าไหว้พระสวดมนต์ทำมาตั้งเป็นเด็กแล้วทุกวันนะนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนี่ปิตใจเรานนได้ๆมีกําลังช่วงไหนละเลยไปเจริญสติในชีวิตประจําหมันลูกเดียวเลย ทีแห้งแรงไปเหนื่อยแห้งแรงที่เห็นมันไหวยิบยับที่บบแบลไม่มีกำลังจะตัดหรอกม่มีกำลังแต่ว่าคุณเป็นสีระวังนะทำสมถะไม่ใช่การนั่งเพ่งทำสมถนะนี่ก็คือการที่เราระลึกรู้อารมณ์มันเดียวอย่างต่อเ น, นื่อง ร, รู้สบายสบายต้องสบายนะต้องสบาย ครับกดไหนรู้ลมหายใจก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจสบายๆหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าจะสงบเมื่อไหร่อย่างนี้จะสงบเร็วนะถ้าหายใจเข้าหายใจออกมันบังคับตัวเองให้สงบนะอึดอัดงั้นคนไหนชอบลมหายใจนะแนะนําให้หายใจออกก่อนนะเริ่มต้นด้วยหายใจออกหายใจเข้าก่อนมันจะแน่นหายใจออกก่อนมันจะสบายสบายแล้วก็รู้ใจที่เราสบายสบายรู้ต่อไปเลย เอมีของดีอยู่ในทุกอย่างต้องถอนตรงนี้อย่าถลำลงไปดูนะอย่าไปจงใจดูถ้าเมื่อไรเรากระโจนลงไปดูเนี่ยผิดอ่ะะคล้ายๆเราไปดูคอนเสิร์ตแล้วโดดขึ้นไปบนเวทีทําผิดอ่ะดูห่างๆดูห่างๆดูอย่างไม่มีส่วนได้เสียอย่างโลกธาตุยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือจิตใจเรายุ่งเหยิงวุ่นวายแล้วเราเข้าไปดูข้างในไปคลุกวงในนะเป็นดูเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ยิบรอกตัวเดี๋ยวก็เวียนหัว ดูอยู่ห่างๆเหมือนเราอยู่บนยอดตึกอ ะ, นะถนนเนี่ยรถพุ่นวายทั้งถนนเลยเราอยู่บนยอดตึกเนี่ยเรารู้สึกว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ช้าๆด้วยซ้ำเลยดูไม่ยุ่งเหยิงอะไรธรรมดาแต่ถ้าเราไปยืนอยู่กลางถนนยาววราชเนี่ยะโอ้จะทําอะไรไม่ถูกอ ะ, ะเวลาดูอารมณ์นะดูเหมือนคนวงนอกดูสบายๆเดี๋ยวคุณเป็นศรีนักข้างหลังนะ